สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเช้า ว, วันนี้ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนักเขียนอมะตะประจำปีพุทธศักราช2549ถึง2550นั่นคืออาจารย์โกวิทอเนกชัยหรือที่รู้จักกันดีในนามของท่านเขมานันทะ ผู้ซึ่งเป็นกวีนักคิดนักเขียนจิตรกรและประติมากรผู้สร้างสรรผลงานหลากหลายรูปแบบต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลาเกือบ40ปีผลงานวรรณกรรมกว่า60เล่มของท่านนำเสนอเรื่องราวของชีวิตจิตใจความลึกซึ้งของการเป็นมนุษย์การเรียนรู้จิตใจตนเองและคนรอบข้างการมองโลกมองสังคม มองการเปลี่ยนแปลงที่หมุนเคลื่อนอยู่ในวิถีวัฒนธรรมด้วยการตั้งข้อสังเกตอย่างลุ่มลึกล่วงพ้นไปจากพรมแดนของเชื้อชาติศา ส, สนาและวัฒนธรรมในวิถีของนักเขียนกวีและวิปัสสนิกผู้ปฏิบัติธรรมในทุกขั้นตอนของชีวิตงานสร้างสรรค์ทางศิล ป, ปะทุกขแขนงของอาจารย์จึงเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีแห่งการปฏิบัติภาวนาอย่างชัดแจ้ง ดังเนื้อหาสาระที่ดิฉันจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวในภาคสุดท้ายของหนังสือปรีชายานของผู้ไม่รู้หนังสือที่ได้นำเนื้อหาการบรรยายธรรมของอาจารย์แก่ผู้เข้าร่วมรายการเจริญสติภาวนาณวัดป่าธรรมดาบ้านคืมอกจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพศ2524 เพื่อนำผู้ภาวนาให้ได้ซึมซับรับรู้ถึงความรู้สึกตัวซึ่งเป็นบาดฐานที่สำคัญของการก้าวสู่สมมมาสมาธิคือสมาธิอันเกิดเป็นขึ้นเองจากความรู้สึกตัวสดสดล้วนล้วนมิได้คิดนึกเอาจบจนกระทั่งถึงความเท่าทันการรู้เห็นอาการนึกคิดปรุงแต่งของจิตจิตก็จะละวางอาการปรุงแต่งลงได้ ด้วยตัวของจิตเองต่อไปค่ะ ข, ขอเชิญติดตามรับฟังธรรมบรรยายของท่านอาจารย์กันเลยนะคะกิตต้องทำในเบื้องต้นสาระสำคัญของการภาวนาแบบเคลื่อนไหวสร้างจังหวะก็คือ การปลุกเร้าความรู้สึกตัวที่ซ่อนเร้นอยู่ในเราทุกคนความตื่นตัวนี้บางทีกลายเป็นโทสะบ้างโลภะบ้างราคะบ้างเราตื่นตัวมากๆแต่ว่าเป็นการตื่นอยู่กับกิเลสวันนี้เราต้องการปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นเฉยๆโดยไม่เกี่ยวกับกิเลส ในตัวมนุษย์เรามีสิ่งหนึ่งคือธรรมชาติตื่นเรียกว่าโพธิหรือพุท ธ, ธะซ่อนอยู่ถ้าเราเราถูกวิธีมันก็จะตื่นขึ้นถ้าเราตื่นผิดวิธีก็อาจเสียสติหรือวิป ร, ราชคลาดเคลื่อนไปเลยทั้งนี้เพราะขาดสติภาวนาอย่างมีรากฐานมาโดยลำดับกรรมวิธีที่หลวงพ่อเทียนค้นพบ และสั่งสอนได้ปลุกผู้คนเป็นจำนวนมากผมติดตามท่านมานาน15ปีเศษพบความเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวเองและเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติวิธีการนี้ทำให้เราพึ่งตัวเองได้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องภายในช่วงสั้นสามวันนี้จะปรากฏผลไม่มากก็น้อยแต่กระนั้นผมไม่อยากให้คาดหวังทุ่มเท ถึงขนาดเครียดการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำง่ายๆและเป็นไปตามลำดับผู้ที่มาใหม่ขอให้สร้างจังหวะพักหนึ่งก่อนให้แม่นยำนั่งตามสบายนั่งตามธรรมชาติของเราเพราะเป้าหมายของเรานั้นไม่ต้องการให้มันสงบเราต้องการเร้ามันให้ตื่นเหมือนอย่างเราง่วงพอรถชนกัน เราตื่นสว่างสวัยความตื่นตัวนี้เองเป็นรากฐานการศึกษาทั้งหมดเด็กที่เรียนหนังสือไม่ดีเพราะเวลาฟังครูสอนมักง่วงซึมส่วนเด็กที่เรียนดีก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งการอะไรคือมันตื่นนั่นเองฟังอะไรชัดเจนดีเอาละผมจะแนะนำอะไรสั้นๆ แล้วค่อยอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งเอามือตั้งบนหัวเขา่าพลิกมือขวาตั้งบนสันมือแล้วเอาความใส่ใจเข้าไปรู้มันแต่อย่าเพ่งถ้าเพ่งแล้วจะแน่นหน้าอกถ้าเพ่งจ้องแล้วจะตาลายแน่นอนตา ม, มองข้างหน้าตามธรรมดาไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้าหลับก็มีโอกาสที่จะง่วงมาก ลืมตาไว้พลิกมือขวาตั้งสันขึน้นรู้สึกในขณะที่พลิกยกมือขวาขึ้นหยุดเคลื่อนมือมาปิดที่สะดือหยุดพลิกมือซ้ายตั้งสันพลิกแล้วก็หยุดให้เป็นจังหวะพลิกแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนมือขวาขึ้นหยุด เคลื่อนมือซ้ายตามทุกครั้งที่มีการเคลื่อนแล้วก็หยุดและมีการสังเกตการเคลื่อนและการหยุดครบวงจรแล้วเริ่มใหม่ใหม่ให้ทำช้าๆเป็นจังหวะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดตราบใดที่เราอยู่อย่างนี้จิตของเราซึ่งมันสังเกตสิ่งนี้อยู่ แม้จะคิดออกไปเท่าไรอาการเคลื่อนนี้จะดักมันติดคือเมื่อจิตคิดไปไม่ช้าไม่นานก็จะเคลียวกับมาที่ตัวมันเองธรรมดาจิตของมนุษย์ย่อมจะคิดนึกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนื่องจากคลื่นสมองของเราถูกกำหนดเงื่อนไขให้คิดตลอดเวลาเราคิดมาตั้งแต่เด็กปัญหาและปัญญาของมนุษย์เรา อยู่ที่ความคิดเวลาทุกข์ขึ้นมาก็เพราะคิดนั่นแหละคิดขึ้นมาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทีนี้พอเราเคลื่อนอย่างนี้เพราะเราเคลื่อนเองไม่ใช่คนอื่นมาเคลื่อนให้เราไม่ช้ามันจะตกกลับมาเป็นอันเดียวกันกับกายใหม่ๆหมทำช้าช้าก่อนช้าช้าให้เป็นจังหวะแต่ อย่าให้มันพูดอยู่ข้างในเคลื่อนให้เป็นจังหวะพักเดียวจิตซึ่งเป็นตัวสังเกตการกระทํานี้ก็จะค่อยๆเข้ามาผัวพันแล้วจะตกเข้าไปในตัวของมันเองสภาพตื่นรู้ตัวก็จะเข้มข้นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยด้วยวิธีการอันนี้หลายคนได้ตื่นตัวขึ้นและก้าวหน้าไปด้วยดีปัญหาหมักหมมซึ่งแก้ไม่ตกเช่น ความฟุง้งซ่านความรุนแรงในอารมณ์ถูกลดทอนและกําจัดไปได้ด้วยวิธีนี้นี่เป็นขั้นตอนหนึ่งของผู้มาใหม่เคลื่อนอย่างนี้ทำให้มากเคลื่อนไปแล้วจะรู้สึกเบาตัวแต่ก็ให้มันเป็นขึ้นมาเองอย่าไปจ้องว่าเมื่อไรจะเบาตัวขึ้นเราทำไปโดยธรรมชาติเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาทั้งตัว ถ้าตื่นขึ้นเต็มที่จริงๆความรู้สึกตัวก็จะกำจัดมายาภาพต่างๆที่เราคิดเรานึกเหมือนกับการล้างชามมันจะกะจัดออกเกลี้ยงหมดจะรู้สึกตัวเบาขึ้นตัวเบาขึ้นต่อให้คนมีน้ำหนักตัวมากก็จะรู้สึกเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองส่วนใหญ่เราไม่เป็นตัวของตัวเองเราเป็นของความคิดถูกความคิดบงการ เรามักพัวพันอยู่กับความคิดเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีอย่างนี้มันจาเป็นต้องเดียวโดดกระนั้นเราก็อย่าพูดกันให้มากคำว่าเดียวโดดไม่ได้หมายถึงว่าเราโกรธคนโน้นมาเรากลายเป็นคนปลีกเปลี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นคือเราเดียวโดดเข้าไปในตัวเองให้มากทำให้เหมือนเต่นานาวหรือเต่าทะเล ที่หดทุกส่วนเข้าไปในกระดองกระดองเต่านั้นวิเศษที่สุดผมได้ยินคนแก่พูดว่ายากเหมือนเสือกินเต่าคือถ้ามันหดเข้าไปในกระดองแล้วเสือก็ทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติเช่นนี้คือกลับเข้าไปในตัวเองที่นี่ไม่มีความวิตกไม่มีความกังวล ตอนที่เรากังวลคือตอนที่เราเข้าไปในความคิดคิดวุ่นไปหมดเหมือนนกติดไข่ดังนั้นให้เราหดกลับเข้าไปในตัวเราเองเมื่อปฏิบัติอย่างนี้มากเข้ามันจะกลับเข้าไปในตัวเองผู้หญิงก็กลับเข้าไปในตัวเองผู้ชายก็กลับเข้าไปในตัวเองแล้วค่อยค่อยค้นพบความโล่งถงภายในหัวใจของเราเอง เมื่อเรารู้สึกตัวได้ดีขึ้นเราจะพบว่าเราเป็นชีวิตเดียวกันมีความรู้สึกดีกับคนอื่นมีความปรานีและเอ็นดูคนอื่นเสมอตลอดเวลาเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจเราพยายามวิ่งหนีตัวเองพยายามยึดถือไขว่คว้าหาสิ่งที่ต้องการของเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ เป็นของนอกกายดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะกลับไปรู้สึกตัวนั่นคือความรู้สึกสดซึ่งเราไม่ได้คิดขึ้นลองแกว่งมือดูความรู้สึกสดปรากฏใช่ไหมเวลาเดินจงกรมหรือยกมือให้จับความรู้สึกนี้ลองทำดูพอเคลื่อนมือมันจะเสียว ให้รู้สึกกับตัวนี้ทีแรกมันจะเสียวๆเฉพาะส่วนที่เราเคลื่อนแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะส่งคลื่นรู้สึกไปทั่วตัวเมื่อผมปฏิบัติอยู่ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยหลวงพ่อบอกผมคิดเอาดังนั้นจึงไม่รู้ผมปฏิบัติอยู่หลายปีมากเพราะว่าเป็นคนติดคิดชอบเข้าไปในความคิด ต อ, อนที่ตื่นขึ้นมานี่แปลกคล้ายๆมีคนมาลูบหลังแต่พอหันไปดูไม่เห็นใครคือรู้สึกตื่นวุบๆขึ้นมาทางนี้บ้างทางนั้นบ้างพอผ่านอีกช่วงหนึ่งตั้งแต่ปลายเท้าจะลดเส้นผมเรารู้สึกได้หมดเมอรู้สึกได้หมดเช่นนี้แล้วชีวิตของผู้ภาวนามาถึงจุดนั้นมันก็เหมือนกับเรดา ซึ่งมีประสิทธิภาพแล้วดังนั้นพอความคิดไหวตัวภายในคิดวูบไปก็จะรู้สึกทันทีมันจะทันความคิดอลยุติความไม่รู้ตัวโดยอัตโนมัติเป้าหมายของการเจริญวิปัสนาคือการทันความคิดตามปกติเราไม่ทันการที่เราโกรธเราโลภเราอะไรนั้นมันต้องคิดก่อนจึงโกรธ คิดแล้วก็โกรธ ถ, ถ้ายัางไม่คิดก็ไม่โกรธแต่พอคิดวูบไปแล้วเราไม่ทันมันแล้วเราก็เข้าไปในห่วงโซ่ของความคิดการเข้าไปในความคิดนี้คล้ายกับปลาเข้าใส่เข้าง่ายออกยากพอติดเข้าไปในความคิดแล้วออกยากบางเรื่องเราไม่อยากคิดแต่ก็คิดคิดจนกระทั่งปวดหัว บางทีต้องไปฆ่าตัวตายเพื่อให้พ้นมันพลังสร้างสารรค์และอันตรายจึงอยู่ที่ความคิดมนุษย์เป็นจอมพลังอันนี้ความคิดทำให้มนุษย์ก้าวหน้าสร้างสารสงรค์ศิลปะวิทยาการต่างๆแต่พร้อมกันนั้นก็อาจย้อนมาทำลายมนุษย์ได้ด้วยเหมือนมีสองคมคือใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นกลับทาร้ายตัวเอง อุบายสำคัญในการเคลื่อนมือเป็นจังหวะนี้เมื่อผมเรียนใหม่ๆผมรู้สึกดูแคลนพอเห็นหลวงพ่อแนะนำให้ผมทาผมไม่ยอมทาผมนึกไปล่วงหน้าว่าทาอะไรง่งๆอย่างนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาสู้มานั่งคิดเรื่องหลักทำโน้นนี้ไม่ได้มีข้อเท็จจริงอันหนึ่งคือคนติดคิดแล้วให้หยุดคิดนี่หยุดไม่ได้ เพราะเหตุว่าวิธีนี้เป็นวิธีสกัดกั้นพลกระแสความคิดจึงรังเกียจที่จะทำแต่ในที่สุดวันหนึ่งเมื่อลองปฏิบัติสักพักหนึ่งจิตใจก็เปลี่ยนทำพักเดียวรู้สึกวันนี้มันมาอยู่เฉพาะหน้าก่อนหน้านั้นสติได้ลอยเข้าไปในความคิดสติเลื่อนลอยไปตามอำนาจของความคิดคิดถึงไหนก็เลยไปถึงนั่น เมื่อเคลื่อนมืออย่างนี้มากๆ ม, มากเพียงใดนี่ต้องทำจึงรู้ถ้าทำสองสามทียังไม่รู้สึกและเข้าใจไม่ได้ต้องทำมากๆทำให้มากทำบ่อยๆจนกระทั่งสติเริ่มติดตั้งขึ้นในตัวเองคล้ายๆเราสะสมน้ำที่รหยดทีไรหยดทีนี้พอเกิดน้ำเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็มีพลัง ทั้งหมดนี้จะรู้ได้โดยการปฏิบัติถ้าโดยคำพูดนี้รู้ได้น้อยมากเช่นเมื่อผมพูดว่าความรู้สึกตัวเราก็ฟังออกแต่จริงๆเรายังไม่รู้แต่ถ้ารู้สึกตัวได้แล้วก็จะพบว่าคำพูดไม่มีความหมายคำพูดเป็นเพียงสือ่อเหมือนกับแหหรืออวนพอเราจับปลาได้ ไม่มีใครเขาแกงแหแกงอวนเขาต้องแกงปลาอวนก็ให้คนอื่นหรือแขวนข้างฝาดังนั้นอย่าสนใจคำพูดที่ผมพูดแต่ให้สนใจสิ่งที่ผมบ่งถึงเช่นผมแนะนำให้เคลื่อนอย่างนี้อย่าไปสนใจว่าผมพูดภ า, าษาถูกต้องตามศั์ บ, บาลีสันสกฤตไหมพูดเหมือนสำนังอื่นไหมอย่าไปสนใจ เรื่องนั้นถ้าไปสนใจเข้าก็จะไปอีกทางหนึ่งหรือว่านี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมหรือไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นหรือคิดว่าอันนี้เป็นของศาสนาหนึ่งเรานับถือศาสนาหนึ่งผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นผมอยากให้ทดลองความจริงที่ซ่อนเล่นอยู่ในตัวอยู่ในเรานี่เองและโอกาสที่มันแสดงออก มันมักแสดงออกไปในรูปของกิเลสเช่นเมื่อเราโกรธสุดขีดนี่เราจะม่วงนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับตื่นทั้งคืนแต่มันตื่นด้วยความโกรธผู้หญิงผู้ชายที่เขาชอบพอกันนั่งคุยกันยันสว่างแต่มันตื่นด้วยอำนาจของราคะหรือเขาเอาเงินเอาทองมาให้บางทีอาจนอนไม่หลับเลย แต่ตื่นด้วยอำนาจของโลภะที่จริงตัวตื่นนี้ซ่อนแฝงอยู่สมมุติว่ามันตื่นขึ้นโดยไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจุดนี้จะพาเราออกจากทุกข์ตอนผมภาวนาอยู่ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ท่องแท้ผมนอนไม่หลับตั้งสี่ห้ากนติดติดกันแต่ก็แจ่มใสดี ผมได้ยินข่าวจากหมอคนหนึ่งเขียนจดหมายมาบอกว่าภาวนายอยู่ไม่ต้องนอนแต่ว่าไม่ง่วงพอตัวนี้ตื่นแล้วมันจะมีสมดุนใหม่ของมันดังนั้นอย่ากลัวการ น, นอนน้อยหมอบอกว่าตั้งแดชั่วโมงอันนี้ไม่จริงเลยพระพุทธเจ้านอนคืนละสามชั่วโมงถ้าเรานอนหลับจริงๆ3 4สามสี่ชั่วโมงก็พอแต่จริงตรงที่ว่า เพราะเคตจากการงานเราจึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราจึงต้องนอนถึง8ชั่วโมงก็เพราะวิถีชีวิตร่วมสมัยนั่นเอง